สวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะมาอีกแล้วนะคะรายการสรนสีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติโดยมีดิฉันสันสีนาคพง์ดำเนินรายการซึ่งเป็นรายการที่จะพาท่านฟังได้เข้าใกล้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธวจนะธรรมวินยัยจากพุทธโอดจะได้ ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติตามกันอย่างถูกต้องท่องแท้และยังได้ปฏิบัติกันด้วยในภาคต้นของรายการในปี 2,553 นี้ภายใต้การนำของพระมาร์คชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะที่จ ะ, ะแนะนำพระสูตรเรื่องของอาณาปานสติให้ก้าวหน้ามากกว่าในวันที่ผ่านๆมาค่ะนมสักการะท่านคะ่ะ จเจริญพรวันนี้เราก็มาปฏิบัติทำความเพียนเผาเกศในการนั่งสมาธิกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะอ่านพระสูตรอาณาปานาสติไปถึงส่วนที่ว่าสามารถทำให้สติปัฏฐานสี่ในหมวดธรรมานุปัสสนานั้นบริบูรณ์ขึ้นมาได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติเป็นอย่างไรเล่า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 รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายยัสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายยัสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติ หายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งส well ุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตัดสังขารหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตัดสังขารหายใจออกทําจิตตัดสังขารให้รำงับอยู่ หายใจเข้าทำจิตตัดสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจเข้าทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจออกทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ หายใจเข้าทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกทำการศึกษาว่าเราเห็นความจางคลายหายใจเข้า ตามเห็นความจางคลายหายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าตามเห็นความดับไม่เหลือหายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าตามเห็นความสลัดคืนหายใจออกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าการที่เรามาเจริญอาณาปณสติแล้ว ตามเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคือนั้นเป็นการตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละความยินดีนรายทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรผองกิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ในสมัย น, น, นั้นเพราะฉะ น, นการที่เราเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนนั้นเป็นการมาเจริญธรรมานุปัสสนาในหมศติปทานสีแล้วดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่า ทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ได้ดังนี้แลวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคค่อยๆอ อ, อ, ออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายอิริพ์ได้ท่านฟังคะ่ะวันนี้ท่านมาก็ได้อ่านพระสูตรแล้วก็แนะนำการปฏิบัติอานาปานาสติให้เราฟังอีกส่วนหนึ่งพระมาร์ชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบนะคะนมัส ก, การขอบพระคุณคะ่จะจริญพร ท่านฟังคะสำหรับอาณาปานสตินั้นขณะนี้ก็มีคณะสิทธิ์ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัฒนาปภงลำลูกกาคลองสิทธิ์นีนะคะได้ทำการรวบรวมเรียบเรียงและผลิตจนกระทั่งสำเร็จออกมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กฉบับที่ชื่อว่าพุทธวจนะอาณาปานสติโดยพระตถาคตซึ่งถือว่าเป็นคู่มือพ้นทุกข์ด้วยมัคควิธีอาณาปานสติฉบับแรกของโลก ที่เจาะจงในรายละเอียดของการปฏิบัติโดยไม่เจือปนด้วยสาวกผาสิทธ์ท่านที่อยากได้ตอนนี้เราแจกให้ที่นี่สถานีวิทยุเนี่ยนะคะ fm 1 0 6เพียงวันละหนึ่งเล่มก่อนนะคะก็ติดต่อกันมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-269-00-06 ค่ะเป็นหนังสือที่มีค่ามากนะคะท่านจะได้ถูกต้องตรงทางกันตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการมีเขาเรียกว่ามี พระสูตรคอยกำกับเป็นพุทธวจนะของพระองค์โดยแท้รายการสันสนีสนทนาโดยดิฉันสันสนีนาคพงศ์เดี๋ยวจะพาท่านฟังไปพบกับพระภัยบูรณปฏิปุณโนในช่วงต่อไปค่ะ